คำว่าความหลงก็เหมือนเราเดินทางยอมสําคัญทางที่ผิดนั้นว่าเป็นทางถูกแล้วก็เดินไปทำไมหลงแล้วก็ไม่เดินตามทางผิดเดินตามทางที่ถูกไม่เลื่อไปทําให้หลงก็ไม่ทําผิดไม่พูดผิดไม่คิดผิดไม่ถือผิด ผลก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ตัวเราการลงพรางก็เป็นโทษอั น, นที่ทำให้เสียแย่เวลาแย่หน่ยตัวเก่ า, า, ก, า, ก, าการทําผิดการคิดผิดการคิดผิดก็ทําให้ทั้งเสียเวลาทั้งเป็นโทษแก่เรานี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการทําผิดคูด ผ, ผิดคิดผิดพระพุทธเจ้าท่านสอนเพื่อให้ ทราบว่าจิตใจเราเป็นผู้มีความผิดผิดอยู่เสมอพยายามแก้สิ่งที่ผิดยู่ภายในจิตใจเพื่จะได้ระ บ, บายออกใ้ทางกายวาจาและทางใจเสีเองเป็นความถูกต้องดี ง, งามผลจะผึสงสมหวังเพราะเหตุที่ถูกต้องผลด้อมดีเสมอไปถ้าเหตุที่ผิดผมจะผลนั้นจะลบล้างไม่ได้ ่จะปิดกั้นไว้ไม่อยู่ต้องแสดงเป็นความทุกข์ออกมาแล้วคําว่าความหลงเมื่อเราจะนับจํานวนคนที่หลงนี้จะมีสักเท่าไหร่คนที่รู้จะมีสุดเท่าไหร่ถ้าจะเทียบกับคนรู้ว่ามีจํานวนเท่าไหร่นั้นก็เหมือนเอามือไป หย่อนลงแม่น้ำมาหาสมุทรฝ่ามือของเราหนีกว้างขนาดไหนแม่น้ำมาหาสมุทรกว้างขนาดไหนทัศโลกที่ลุมหลงอยู่ในวัฏจักรสงสาร น, นี่มีจำนวนมากเท่าไหร่ในแม่น้ำมาหาสมุทรยังแคบแต่เพียงเป็นข้อเทียบเทียมกันได้เท่านั้นว่าผูท้ที่รู้มีจำนวนน้อยผูท้ที่หลงห่งจำนวนมากเทียบกับแม่น้ำมาหาสมุทร ทั้งหลายความกว้างขวางไม่มีมากมายของสัตว์โลกที่เป็นไปด้วยความเรื่องเหงผู้ที่รู้ที่สามารถเอาตนอดพ้นไปได้ก็มีจำนวนเท่าฝ่ามือถึงคำวมาคำหลงเพียงคำเดียวเท่านี้มันถูกกับทุกโลกทุกนามบรรดาสัตว์และบุคคลที่มีญาติคอง กระเทือนไปทั่วโลกกระถารวมแล้วทั้งสามโลกกระถาเป็นที่อยู่แหงความแห่งสัตว์ผู้ลุมหลงทั้งนั้นผู้ที่รู้จริงๆไม่อยู่สัตว์โลกจึงอยู่ด้วยความหลงไม่ว่าทัานว่าเรามีจำนวนมากเป็งไรเราไม่อาจนับได้ทั้งที่เป็นรูปกลางมองเห็นด้วยตาเนื้อทั้งที่ไม่มองเห็นด้วยตาเนื้อ ก็อยู่ในอำนาจแห่งความหลงเป็นสิ่งครอบงำไว้แตะผู้ที่จะมาแนะนำสั่งสอนให้อุบายวิธีการแก้ความหลงนี้ก็มีน้อยมากั้งแรกก็มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงทราบเรื่องความมุ่มหลง แล้วการกดเป็นความรู้อารแจ่มแจ้งชัดเจนขึ้นมานำํำทำที่เป็นเครื่องแก้ความหลงและโค่นแห่งความหลงคุณค่าแห่งความรู้นํามาสแสดงแก่โลกเรียกว่าสแสดงทั้งเหตุทั้งผลทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วจนกระทั่งประชาชนคูมิมุ่งหวังต่อความรู้ความฉลาดเพื่อความหลุดพ้นจากทุกอย่างเต็มใจแล้ว ได้รับฟังก็เปิดความเชื่อความหุ่งใมยประพุธิปฏิบัติตามพระองค์ท่านายืนกายเป็นผู้รู้ขึ้นมาโดยลำดับลำดาที่เราให้นามว่าสาวกอรหรันท่านเป็นลำดับมาเช่นนี้และท่านหลังนั้นค่อยปริปริพานไปเรื่อยๆมีร่วงโรยไปโดยลำดับมีความมืดมิดปิดตาก็ยิ่งมีกำลังมากขึ้น ทั้งโล ก, กเต็มไปด้วยความหลงผูท้ที่จะมาขี้แจงสั่งสอนให้รู้แจ้งเห็นจริงในความหลงทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่มีก็จะแล้วโลกนี้จึงอยู่ด้วยความมืดมิดติดตากันถึงจะมีหงุดหงิดสว่างอยู่ก็สว่างแต่กับเรื่องของโลกกระเสียไม่ใช่สว่างด้วยความจริงคือรู้จริงเห็นจริงดังพระพุทธเจ้าในสาวก มันก็เลยกลายเป็นหูหนาตาเถื่อนคำว่าเถื่อนก็คือปลอมตามีอยู่ก็ปลอมหูมีอยู่ก็ปลอมอรับทราบได้ได้ยินแต่สิ่งที่จะสิ่งที่จอมปลอมเข้ามาแทรกซึแทรกซึมจิตใจของเราให้เมื่อดนึกขึ้นไปโดยลำดับเพราะการได้เห็นการได้การได้ยินเป็นต้นเรื่อยมาสิ่งที่แสดงออกทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่จะห้หลง ธรรมชาติของจิตก็มีความรุ่งหลงอยู่อย่างเต็มตัวอยู่แล้วก็ยิ่งเข้ากันได้งา่ายความจริ ง, รงแทรกเข้าไปได้ยากเพราะฉะนั้นการปตบคุณปฏิบัติธรรมหรือการสังธรรมซึ่งเป็นความจริจรงจิตกินฝืนข้างเมอไปแต่สิ่งที่จิตชอบก็คือสิ่งที่เต็มเป็นเนื้อเป็นหนังอยู่ภายในใจจนมองหาใจไม่เห็นแล้งั้นที่เรียกว่าของฟอร์มทั้งสิ่ง ัในใดที่ปลอมกับของปลอมก็เข้ากันได้ง่ายเช่นเดียวกับคนชั่วต่อคนชั่วเข้ากันได้ไง่ายเป็นเพื่อนเป็นมิตรสนี้สนองกันดีหลายคนดีก็เข้ากับคนดีแต่มีจานวนน้อยเป็นพวกของไทยของเราไปพวกของความหลงทางนอกก็เรื่องหลงทางในก็เป็นผู้หลงเข้ากันแล้วก็เข้ากันได้อย่างสนเชื่อได้ง่ายเพราะเคยชื่วมาแล้ว กานที่จะปฏิบัติเกิดแช่สิ่งเหล่านี้ออกสามใจคึงต้องฝืนฝืนมาตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าองค์ไหนไหนฝืนมาเป็นลำดับธรรดาเพราะเคยถูกถู ก, ถกมัดมาจนแน่นจนกระดิดตัวไม่ออกและไม่สนใจที่จะกระุดลากตัวเองออกจากสิ่งนั้นเหมือได้รับการสแสดงจากพระพุทธเจ้าหรือได้ดูตามลำดับกําลา อันเป็นแนวทางที่ถูกต้ตองออกมาจากสวดสวดคาตธรรมที่หนึ่งมีความสนใจประพฤติปฏิบัติแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องฝืนจึ่งอันนี้อยู่เลยดีทั้งกเราประพฤติปฏิบัติอยู่ใบนี้ก็ออกมาจากคนเรื่องใจของคนย่องย่อมเหมือนคนแม่จะออกมาอยู่ในวัดแล้วความรู้สึกอันเดิมเดิมย่อมมีอยู่ภายในใจเสมอคือความที่เกียดมจง่ายความคล้อยตามสิ่งที่เคยค้อย ควาเชื่อสิ่งที่เคยเชื่อย่องขังใจอยู่ น, นี้การที่จะฝืนสิ่งเหล่านี้จึงเป็นความลําบากยังบนอยู่สําหรับที่ปฏิบัตินะจะมีความมุ่งมั่นต่ออดต่อธรรมมากน้อยเสียงไรก็จาต้องได้ฝืนสิ่งที่เป็นปรับเป็นน้ำํำที่ภายในจิตใจของเราโดยอยู่โดยดีการปฏิบัติธรรมจึงเป็นของยากของลําบากเพื่อจะเปิดสิ่งที่ปิดบงังในล่าจิตใจของเราเนี้ให้ออกให้เห็นผล เห็นต้นเห็นกายเห็นอัดเห็นธรรมภายในจิตใจจนกว่าจะได้ปรากฏผลขึ้นมาแล้วเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจให้มีกําลังในความสามารถความเชื่อความมุ่งหมยความมุสตาพยายามจากนั้นก็ค่อยสะดวกสบายถึงจะยากลำบ า, ากผลก็ปรากฏอยู่ภในใจแล้วก็เป็นมีเสน่หกันไปด้วยความพอใจที่จะเพิ่มพูนความดีเพิ่มพูนความสงบสุขที่เคยมีอยู่แล้วให้มีความสว่างไสวยิ่งขึ้น เราขอสัมพันธ์ก็คือให้เห้นโทษแห่ความเป็นอยู่ด้วยความหลงยืนอยู่ด้วยความหลงนอนอยู่ด้วยความหลงเดินไปด้วยความหลงในยาวบททั้งสี่เปินไปด้วยความหลงมาเกิด้ามาด้วยความหลงมาอยู่ในโลกก็อยู่ด้วยความหลงกับไปข้างหน้ากับไปด้วยความหลงเมื่อเราเห็นโทษถึงอมนี้อยู่โดยสม่งเสมอภายในจิตใจที่แล้วก็อติเหตุก็ให้มีความอุตสาห์พยายาม ที่จะแยกแยะสิง่งนี้ออกจากใจพร้อมีทางเล็ดลอดไปได้ตามกําลังของความสามารถของเราอย่างไรก็อย่าลืมคําว่าพุทธทางกำลังกระถามอะไรก็ตามให้ระลึกถึงนั่นเสมอทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลที่พระองค์ทรงดําเนินมาก่อนแล้วและได้ทรงรับผมมาเป็นที่พอสะทยายกนลังมาประกาศสอนโลกทหลายาพระพุทธเจ้าทรงดําเนินอย่างไร ความทุกข์ความบาปก็มีใครที่จะเกินพระพุทธเจ้าไปได้ความรู้ความเห็นก็ทรงรู้เแจ้งเห็นชักไม่มีสิ่งใดปิดบงังนี้ลับนำธรรมที่เปิดเผยนั้นมาสั่งสอนโลกให้ดมีความเปิดเผยแต่าตามตามพระองค์ท่านคือเรียกว่าตามเสด็จพระองค์ท่านทำมังสะนงังคาถามนี้ก็ไม่มีอันใดที่จะประเสริฐเลิศยิงง่งกว่าธรรมบรรดาในโลกทั้งสามคือการมโลภอุดมโลกอารูณปะโร ส่วนแรกตั้ง่เป็นสิ่งกดท่วงความอุบพ้นคือความสุอกสอันเกษมทางานความสุอกสอันเกษมทำงานที่มีใจเป็นคทำนวล น, น, น, นั้นท่านเรียกว่าทำอันตรเ ส, สิร์กนที่จะให้ครองทเหน่า น, นี้ไปรู้เห็นทเหล่า น, นี้ก็ต้องเด็ดขาดฝืนบึกดึนเต็มกําลังความสามารถด้วยกันแต่จะยากลาบากเป็นไ ร, รกร็ตามให้ถือว่านี้คืองานเพื่อ ความก้าวไปให้พ้นจากกองทุกข์ไม่ช่งานเพื่อความร่มจบเรายจะถือความตายยึดความตายมาสังไว้ในจิตใจในประการที่สามก็ให้ลึกถึงพระสงฆ์สาวกท่านท่านเป็นคนเหมือนกันกับเราออกมาจากคุณต่างๆเวลาออกมาท่านก็เป็นคนออกมามาบทเป็นท่านแล้วก็คือคนเป็นพระท่านวิสาพยายามนำเนินท่านอย่างไรท่านจึงจะเป็นพระนางคาถาหนี้ของพวกเรา ท่านจะเป็นคนเหมือนกันทำไมท่านเลิกท่านประเสริฐยิ่งกว่าเราเรายึดนี้เป็นหลักท่านหากว่าท่านไม่มีความมุสาพยายามความผาดพ้นจริงท่านจะเป็นผู้ยิ่เสด็จยุโสพอเป็นเาหน้าของโลกได้อย่างไรเรายึดนั้นเป็นหลักใจเ้าเอาความตายเข้ามาฝังไม่ไดหัวใจทั้งทที่หัวใจใจคือความรู้นั้นไม่เคยตายเราอยเอาความตายเข้าไปฝังไม่ไดใจเราเอาป่าชาไปทับถมหัวใจเรา จะทำมังรายกลัวแต่จะตายกลัวแต่จะตายไม่ทราบว่าความตายมีความหมายกว้างแคบขนาดไห น, นอะไรเป็นผู้ตายใจเป็นมาอย่างนี้ไม่เคยตายาแต่ไหนแต่ลรมาเป็นแต่เพียงว่าเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆที่โลกทั้งหลายว่าเกิดว่าตาย เ, <อ>เปลี่ยนรูปร่างคือตายแล้วก็ไปถือปฏิทิน ญ, ญ, ญ, ญาณเอาใ ห, หาม่เรื่อยๆเรื่อยๆสงุงต่ำๆรุ่นรอนตามเลธากำหรือตามบุญตามกรรมที่ตนได้สะสมอารมมามากน้อย ส่วนใจเองไม่เคยตายคึงไม่ควรเอาความตายไปผูกมกัดจิตใจบุญง่ายๆไม่ควรเอาความตายไปแฝงขอหัวใจจะเป็นการการสร้างอุปสรรคสร้างความท้อถอยความอ่อนแอความภาเพเปลือนให้แจ่ตนแทนที่จะผ่านไปได้ก็กลุ้มความกลัวตายก็ไปกีดกั้นทางเดินเสียก็ไปไม่ได้น่นสิ่งไม่มีจะไปหาเรื่องใส่ ส, ส, สิ่งไม่มี มันเกิดโทษจากตนเองคําว่าสิ่งไม่มีคืออะไรคือความตายนั้นอ่ะไม่มีจะ่ไม่มีอยู่ในจิตจิตเป็นธรรมาชาติไม่ตายแม้จะมีกิเลสคันหาอาสวะปกคุมอยู่ขัมากน้อยอย่างไรก็ตามจิตก็เป็นผู้ทนทานต่อสิ่งเหล่านี้ทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์แต่ไม่ไม่ยอมทิหายสลายตัวไปเพราะด้วความทิพายเพราะทุกข์ทั้งหลายบีบขั้นทําลายเลยเป็นคํามรู้อยู่เช่นนั้นเป็นจิตอยู่เช่นนั้นแม้จะตกในอนรกอเวจีก็ไม่ตาย หาคนทุกข์ทรมาณตามความหนักเบาแห่งกรรมที่ตนทํามาเท่านั้นนะแล้ว ม, มาเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เป็นอะไรก็ตามก็คือจิต ด, ดวงไม่ตายแน่ไปในขณะนี้นนนกอยู่ในธาตุในขันธ์อันที่เราเห็นอยู่นี่ธาตุขันธ์นี่เป็นของเราร่างกายนี่เป็นของเราจิตมาอาศรรยัยทําทาชาตินี้อยู่แล้วจิตนี้ก็ไม่ตายเพราะฉะนั้นการพิจารณาเรื่องทุกข์มีทุกขเวทนาเป็นต้นที่เกิดขึ้นภายในจิตใจโอ้นี้นเนยเอาดับจ้า เ, เวลาจะพิจารณามีทุกเวทนาเป็นต้นแล้วก็กลัวแต่ตายนี่คือสร้างฝากสร้างหนามหยุดกั้นทางตัวเดินให้เดินไปไม่ได้ความจริงมีอยู่ไม่ยอมเดินเพราะความหลงบังคับนั่นเองความความหลงบังคับคือความไม่รู้บังคับคืออะไรกลัวตายทั้งขั้งที่ความตายไม่มีอยู่ภายในจิตแต่ก็กลัวตายเราเคยเชื่อพิเรก คำว่าตายตายนี่มานานแจะทําอะไรก็กลัวแต่ตายกลัวแต่ตายทาท่านเพิงแก้เข้าไปตรงนี้ให้เข้าถึงความจริงว่าคิดไม่ตายนี่คือความจริงสิ่งเหล่านั้นสลายตัวลงไปตามสภาพของมันนั้นก็ไม่ตายให้เราพิจารณาทุกเวทนาจะเกิดขึ้นมากน้อยภายในฐานในขันให้กําหนดพิจารณาตามความจริงของมันเพราะมันเป็นความจริงแต่ละอย่างละอย่างหากเราไม่พิจารณาความจริงให้เห็นตามความจริงแล้วจิตของเราจะไม่ ไม่เว้นที่จะต้องหวั่นไหวที่จะต้องเป็นทุกข์ลำบากลําบนมากมายในขณะที่ร่างกายจะสลายตัวไปที่เรียกว่าตายถ้าจิตพิจารณาตามธรรมเชื่อพระพุทธเจ้าก็ไม่ควรจะเอาป่าช้าไปตั้งไปในจิตไม่ควรจะเอาปาช้าเอาความเอาความตายเป็นมัดจิตซึ่งไม่ใช่ผู้ตายให้กาเป็นความอ่อนแอคล้ขอยแต่ได้นี่คือสร้างควาสร้างหนามไว้กั้นทางตนเองให้หาทางเดินกัน็นในหลาย ความจริงมีอย่างไรให้พิจารณาลงไปตามความจริงอ้าวทุกจะเกิดขึ้นมากน้อยภายในธาตุขันจะหมดทั้งตัวเนี่ยขให้ทราบว่าทุกนี่มีอยู่รอบตัวแต่ไม่ใช่จิตทุกเวทนาเวทนาอนิจจาวทนาอนัตตาทางังเวทนาอนิจจาคื อ, อยังไงมันมีเกิดขึ้นได้มีตั้งอยู่ได้มีดับมีสลายไปได้มันอนิจจ อ น, นิจจารูออ้อ น, นิจจังเ น, นียรณาลัตตามันเป็นสภาพอันหนึ่งที่ปรากฏตัวขึ้นมาเท่านั้นโดยตัวเองก็ไม่ไสําคัญว่าเนเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาเป็นอะไรทั้งหมดแต่เป็นความปรากฏขึ้นแห่งสภาพทำอันหนึ่งเท่านั้นให้จิตผู้ผีเป็นนักรู้อยู่ตลอดเวลาให้รู้สิ่งนี้ตามความจริงของมันไม่ใช่สิ่งเหล่านี้จะมาประหารจิตให้คิดหายเราจึงไม่เป็นสิ่งที่น่ากลัว แต่เป็นสิ่งที่น่าพิจารณาอย่างยิ่งที่จะเห็นตามความจริงของทุกเวทนาที่ปรากฏตัวขึ้นมาสัญญาก็หลอกว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเรานี่ทุกมากนะี่ทุกมากเ๋ยวตายนะใจนั่นมันหลอกให้เราทราบว่าสัญญานี่ก็เกิดขึ้นจากจิตนั่นแหละเป็นอาการของจิตแต่กลับมาหลอกจิตให้เอ็นเอียหให้วันไหวไปได้ถ้าจิตไม่มีปัญญาไม่มีสติไม่ทราบความจริงของสัญญาว่าอนิจจาว่าอนัตตาความจริงสัญญาอนิจจจะมาทําลายจิตใจเราได้อย่งไร ชัญญาอนัตตาเนี่ยมันก็เป็นสภาพอันหนึ่งเช่นเดียวกันกับขันธ์ทั้งหลายถ้ามีอะไรผิดแตกกันรูปังอนัตตางานั่าง่รูปปองอางกับหน้ปปออนาตาจะอาศัยมันที่ตรงไหนจะว่าเป็นเราเป็นของเราได้ที่ไหนอนัตตาอนัตตก็บอกชัดๆอยู่แล้วว่าไม่เป็นไม่เป็นเราไม่เป็นของเราไม่เป็นของใครเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นหรือถ้ารูปกสักต่ว่ารูปแห่งธาตุเนี่ยเวทนาก็สักต่ว่าเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราจะไปคว้ามา ถ้าผมจิตใจของเราให้เกิดความเดือดร้อนไปไปอย่างไรเพราะเดชะ น, น, นั้นก็เป็นของร้อนอยู่แล้วแบกบถามเข้ามาเผาตจนทำไมถ้าเป็นความเป ห, หลาดแล้วจะไม่ไปยึดต้องพิจารณาตามความจริงของมันคูกขนาดไหนรู้ตามความจริงของมันเพราะจิตเป็นหน้ารู้ไม่มีถอยเรื่องรู้อยู่กับจิดขอให้ ส, ง ส, ง, สงส่วนสติเป็นผู้ควบคุมกํากับให้ดีแม้ขณะที่จิตจะดับกอจะไม่เผลอเพราะสติกำกับกับกิตจิตทํำหน้าที่รู้ความหมายต่างๆ ลิพีน า, าแยกแยะต่างๆในเรื่องของปัญญาแยกให้เห็นทัดทามเป็นจริงนี่เชื่อเป็นผู้ฉลาดในการเรียนตัวเองตามหลักศาสนาที่ใเรียนรู้ตัวเองโลกวีทูทำไมรู้แจ้งเหงจริงในโลกในขังนี้และจะหมายถึงโลกวิทูอันใดนี้เป็นอันดับแรกทีเดียวติดโมริ้าทรงสั่งสอนว่าโลกวีทูรู้แจ้งโลกรู้แจ้งโลกของโมริตาเขาต้องรู้แจ้งข้าแจ้งขันหนึที่เดลืปัญหาอสวะนี้โดยสิ้นเชิงก่อนแล้วถึงจะไปรู้สภาพแห่งโลกทั้งหลายทั่วทั่วไปที่เรียกว่าโลกวิทูทั่วทไป คุณสมบัของสาววอกในตอนนี been, ้ก็มีได้เหมือนกันเช่นโลกรีทูรู้แจ้งโลกในธาตในขันของท่านโดยรอบครอบคลุมไม่มีอะไรเหลือหลอดที่กิดจติดข้องในถึงนั้นแม้แต่น้อยมีเีย่างโลกรีทูเห็นโลกรีทูภายใน่าตในขันธาตุขันไม่เป็นไพร่กับผู้ใดถ้าความหลงไม่ไปก่อวนไม่ไปก่อเรื่องก่อราให้มาเป็นไพร่ตัวเด้งไม่มีอะไรเป็นไัย่ทุกก็ไม่เป็นไพร่แต่ไพเป็นความจริงของมันอย่างหนึ่งเท่านั้นทุกขเวทนาพิจารณาลงให้เห็นชัด จินเป็นน่าเป็นสาระสําคัญภายในตัวเองทําไมกินไปไปหลงไปลงมายไปจังนั่นคว้านี้เอาถึงนั้นมาเผาตนเองทุกตุกเขาเขาไม่มีความหมายอะไรเช่นเดียวกับไฟมันจะก่อสูงเป็นเปลวมันตรวจฟ้าประตานถ้าเราไม่ไปเกี่ยวข้องกับมันเราถอยตัวให้ห่างนั้นก็มีแต่แต่ความเปลือยไฟเท่านั้นไม่สามารถที่ยังความรุ่นร่อนให้มาสู่ตัวเราได้แต่ถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องกับไฟไฟต้องเผาแน่ๆมีทุกเวทนาเหมือนกัน มันเป็นความจริงอันหนึ่งมันที่แสดงอยู่ภายในร่างกายของเหลังนี้เมื่อกิจของเราก็รู้ด้วยสติปัญญาพิจารณาถิ่นเหล่านี้ให้เป็นไปตามความจริงอยู่แล้วสภาพความร้อนที่เป็นธรรมชาติอันหนึ่งของเวทนานั้นก็ไม่สามารถที่จะเผาผลาญจิตใจของเราให้เดือดร้อนไปตามด้วยได้โดยมีชื่อว่าเรียนทำเวทนาก็เป็นธรรม สัญญาก็เป็นธรรมสังขารก็เป็นธรรมวิญญาณก็เป็นธรรมรูปกายนี่ก็เป็นธรรมถ้าเราเป็นธรรมสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมหมดถ้าเราเป็นผู้หลงเป็นอาธรรมโง่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นฆ่าสุดต่อเราได้นี่ตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อกิเลสทันหาสวะหรือจะเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อกิเลสอัตันทาสวาอันนี้เหล่านี้นี่เป็นตนหมดฮะผู้คขก็เป็นตนดเมตนะเป็นตนสัญญาเป็นตนสังขารเป็นเรา วิญญาณเป็นเราอะไรอเป็นเราหมดความโลภขงสารเป็นเราหมดพอสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงย้าย้าได้บ้างเล็กน้อยใจหายไปเลยเป็นทุกข์นั่นนี่แหละเครื่องกอ่อขวนเครื่องทําลายเกิดขึ้นจากความสําคัญของจิตด้วยความนุ่มหลงว่านั่นเป็นเรานี้เป็นของเราอะไรเปลี่ยนแปลงไปน้อยจริงเหมือนกำว่มามัาฟันหัวใจเราให้ขาดทลายไปด้วยกันเป็นทุกข์ไปหมดนี่ถ้าเรื่องของคำ ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ไม่ไม่เป็นเช่นนั้นรูปังอเิจังรูปังฮาตาให้ทราบทาตุปานี้เป็นอเนจังเป็นของไม่เที่ยงด้วยพอจะอาศัยได้อย่างไรบ้างอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครทั้งนั้นเป็นสภาพเหมือนกลางๆอยู่ตามธรรมชาติของมนันเวทนาก็เช่นเดียวกันเป็นธรรมชาติกลางๆอยู่ตามหลักความจริงของมันชัญญาก็เป็นธรรมชาติกลางๆถ้าเราไม่ไปห ล, ลงมันเสียต่อนั้นทั้งฐานดินแดนเหมือนกันเป็นธรรมกลางๆ ขอให้จิตของเราพิจารณาให้เห็นตามความจริงจิตก็เป็นกลางได้เมื่อจิตเป็นกลางจิตก็เป็นความจริงขึ้นมาเมื่อจิตเป็นความจริงขึ้นมาสิ่งนั้นก็เป็นความจริงเพราะสิ่งว่านั้นเป็นความจริงมาแล้วตั้งแต่ดั้งเดิมเป็นที่ยงเราหลงเราจำขันมั่นหมายเท่านั้นนี่คือหลักธรรมเห็นตามความจริงความตายตัดออกอยาให้เข้าไปแทรกสิงจิตได้จะการเป็นความพทอถทอนแยและล้มละลายันได้เพราะคําว่าความตายนั้นเป็นสิ่งจอมปลอมที่สุดที่กิเลสมันเจ็บขัน หลอกลวงเรามาเป็นยีรันาทั้งๆที่จิตไม่ตายแล้วยันกลัวตายแต่ทาไมะถ้าเราพิจารณาตามหลักธรรมแล้วจะกลัวปราท่าจะหาอะไรอะไรตายไม่มีอะไรตายจิต ก, ก็เป็นจิตจิตเป็นจิตมาตั้งแต่นั่งเดิมแต่ก่อภพก่อชากที่ไหนก็มีแต่เปลี่ยนร่างไปตามกรรมวิบากเท่านั้นควรืจิตไม่ตายมีหลักเดิมก็เป็นไงอย่างนี้ทีนี้เวลาพิจารณาเวทานาทำไมจิตจะตายแล้วทําไมเร า, เราถึงกลัวตายอะไรตาย ค้นหาความตายให้เห็นชัดเจนลงด้วยความจริงอีกเช่นเดียวกันจะไม่กลัวความตายเพราะความตายไม่มีมีแต่ความเฉดสันตันยอกันธรรมดาตามโลกสมมติก็ได้แข่อวิชชานีนะพะโลกให้เป็นตายอย่างนี้พาโลกให้ตั้งชื่อทางโงน้นกันอานี้ความจริงแล้วไม่มีอะไรตายพิจาราไปให้ถึงความจริงทุกสิ่งทุกอย่างต่างอันต่างจริงต่างอันต่างอยู่ไม่ตายจิตยิ่งเด่นยิ่งชัดขึ้นมาจิตผู้กลัวตายนั้นยิ่งเห็นชัดตัวเองขึ้นมาว่าโง่ที่สุดทามากกลัวตายนั้นหรือจิตที่กลัวตายคือจิตโง่ะ นเมื่อทเห็นชัดเป็นแล้วไม่มีกลัวม่อจิตไม่ตายแล้วมันก็สนุกพิจารณาอะไรจะเป็นขึ้นขนาดไหนก็พิจารณามันเห็นเหตุเห็นผลเพราะจิตนี้ไม่อั้นต่อการรู้กับสิ่งหลางที่มาเกี่ยวข้องกับตนรู้อยู่ตลอดเวลาขอให้พยายามสะสมจะติดตั้งสติให้ดีจะรู้ทุกระยะจนกระทั่งขณะที่ขาดจากการระวางขันกระิด คือจะตายตามโลกสมมตินั้นเนี่ยก็รู้อยู่ทุกระยะจนกระทั่งขาดออกจากกันเป็นเวลาสุดท้ายนี่รู้คือรู้อันหนึ่งรู้ที่สองรู้จนกระทั่งขณะที่เลสสักค า, าออกจากจิตไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในใจเลยก็รู้รู้ถูกระยะจิตไม่เคยลดละความรู้รู้อยู่ทุกระยะทุกเวลาอากาศอิโกแล้วจิตจะตายไปไหนเกษตรสารให้มันเป็นอะไรอีก จะจัดประจับไปยัดใสปะป่าชาหเหมือนสินทั้งหลายล่ะเหนือคิดไม่ใช่กองปา่าช้าให้เอาจิตนี้ทพิจัรนาสิ่งนั้นให้ชัดเจนแล้วเราจะได้เห็นความอัศจรรย์ขึ้นมาในวงแห่งการพิจยังนาดูในขันในธาตุในขันอันนี้จะเป็นขันใดก็ตามถ้าได้จอดพรจิตปัญญาจะเห็นชัดเฉพาะอย่างยิ่งทุกเวทนาในวะ ในเวลาที่มันเกิดขึ้นมากมๆาหรือในวาระสุดท้ายเราให้ฝึกซ้อมไว้เสียตั้งแต่บัดนี้จะให้เสียท่าเสียทีอของการปฏิบัติธรรมเพราะการปฏิบัติไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อแพ้ปฏิบัติเพื่อชัยชนะเพื่อความเห็นจริงเพื่อฐานค้นถึงนี้เพื่อดูเหนือสิ่งเหล่านี้ไม่ให้มากดขี่บังคับจิตใจของเราได้ให้เป็นอิสระภายนจิตใจจิตจะเป็นอิสระได้ด้วยเหตุใด ด้วยสติด้วยปัญญาด้วยการพิพจารณาไม่ลดละไม่ท้อถอยเป็นก็ตายก็ให้เห็นความจริงเท่านั้นเป็นจุดใหญ่หาเป็นก็เป็นตายก็ตายเรื่องอันนี้เป็นเรื่องคติธรมรมดาไม่จำเป็นจะต้องไปกั้นกลางหัวห้างเขาเพราะเป็นหลักธรมรมดากั้นกลางของห้างก็ไม่อยู่นอกจากจะ ก, ก่อความทุกข์ขึ้นมาในเมื่อสิ่งนั้นไม่สมหวังเท่านั้นเพราะฉะนั้นอันใดที่เป็นตามความจริงให้ปล่อยไปตามความจริงอย่าไปถูกบ้านถูกเดือนถูกเงินคว้ง ถนนหลวงถ้าถูกปรับหมายใส่โทษมี่นี่คือถนนหลวงนั่นแหละข้าจิตธรรมะในกางทุกขังนาาักตาที่เต็มอยู่ในธาตุในขันธ์นี้แต่ก้องในกางทุกขงาาังตาพิจารณาให้เห็นตามองคิ้งต่อยวางกามลดับขึ้นมาถ้าเราก็จะมีความสุขความสบายนี่ที่เร้ยนคณะเป็นเครื่องหลอกลว ง, งานเป็นเคื่องให้คุกเราถ้าแก่ที่เพียนด้วยสติปัญญาแล้วจะหมดไปหมดไปไปความสุขความสบายความ เห็นชอบความสว่างสไบจะเกิดขึ้นภายในจิตใจกาที่ดวมที่ว่ากลัวตายก็ตายทั้งหมดความกลัวแล้วจะมาเห็นทั่วตัวเองแล้วตำหนิตัวเองว่าโอ้ความกลัวตายมาตั้งเวลาหลายปีเท่าไหร่จำความได้จนกระทั่งถึงเหมนี้โกหกเราทั้งเพศนะคนจริงๆแล้วความตายไม่มีมีแต่ความกินเต็มตัวนะจะิตใจงนานอย่างนี้เห็นนักหบต้องสู้เอาจนใครชนะชนะหลบ แล้วมีแต่หลบๆซ่อนๆหลบๆหลีกๆจะเอาความจริงที่ไหนไม่ได้แล้วทุกเกิดขึ้นมากน้อยมันมีแต่ความโกวนกวายความวกวงกวายต้อมีใครช่วยได้ใครจะช่วยได้ถ้าเราไม่ช่วยตัวเราเองแไม่มีใครช่วยได้มีสติปัญญาเท่านั้นจะช่วยความโกลงกวายนี้ให้หายสงบได้เลยจนมาะทังวาระสุดท้ายที่ลมหายใจจะขาดไปไม่มีสติสถานเลยนี่คือความจริงขอให้ จริงในใจเถิดใจของใครเหมือนกันหมดถ้าได้รู้ความจริงเพราะความจริงนี่เหมือนกันเมื่อเข้าถึงความจริงแล้วจิตจะเป็นเหมือนกันหมดไม่มีความสะเทือนพรู้ตามความจริงแล้วตื่นอะไรความที่ตื่นก็ความไม่รู้จักพราะไม่รู้ความจริงนั่นเองถึงได้ตื่นตื่นมากตื่นน้อยตามความรู้มากรู้น้อยหรือหลงมากหลงน้อยต่างกันถ้ารู้สิงจริงรอบภายใจิตใจตลอดตัวถึงแล้วจะไม่ตื่นเรื่องความเป็นความตายเสมอกัน ผสมกับธาตุทั้งสีเอามาจากไหนก็เอามาจากของมีอยู่ดินนั่นลงไปเป็นของมีอยู่ในโลกเนี่ยถ้าสมองการเข้ามาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายจิตก็เป็นของที่มีอยู่เนี่ยถ้าเราใส่สิ่งนี้แล้วก็ถือกรรมสิทธิ์ว่าเป็นเราเป็นของเราเวลาสลายแต่แล้วจะไปไหนก็ลงไปธาตุสีดินนั่นลงไปของเขาตามเดิมจิตก็เป็นจิตจะเป็นอะไรไปอีกถ้าจิตบริสุทธิ์ก็เป็นธรรมทั้งแท่งเท่านั้นเราให้ชื่อว่าธรรมทั้งดวงก็ได้ธรรมทั้งแท่งก็ถูกเรียกว่าจิตบริสุทธิ์ก็ได้ไม่มี มีคำไม่มีความต้องกาอะไระให้การให้ช่วยแนะนำขอให้ถึงความจริงด้วยประจักษ์ใจเท่านั้นเป็นที่พออรื่ อ, องชือนามไม่จําเป็นในชั้นนั้นชั้นนี้ว่าไม่ชั้นไหนก็ตามเถอะเหมือนอย่างเรารับทานอิ่มเต็มที่แล้วเวลานี้เราได้ชั้นไหนในการรับทานไม่ต้องไปถามให้ชั้นภูมิมันเต็มภูมิแล้วก็อยู่เช น, นั้นเองหรือว่าไงฝืนรับทานไปได้เหรือมันพอดีแล้วก็รู้นี่จิตเมื่อมันถึงความพอตัวแล้วก็รู้ ทำไมจะไม่รู้สันติโกก็ไดทชาไม่ทรงผูกขาดมอบให้ผู้ปฏิบัติรู้เองเช่นเด้วยตัวเองทั้งนั้นทําำจนเป็นของกลางผู้ใดปฏิบัติผู้นั้นก็รู้ความจริงนี่แหละการแก้วความหลงเราจะไปแก้กับสิ่งใดไม่ได้เราต้อแก้ตัวของเราเองโลกที่ว่าเต็มด้วยความร่มหลงเราให้เต็มด้วยความรู้เราก็อยู่สบาย ในทํากางเหตุโลกที่รุ่มหลงนี่เองอยู่ตรงนี้เอาร่างกายนี้จะเป็นไฟทั้งกองก็ให้เป็นจิตที่มีความรู้รอบไฟทั้งกองอแล้วเราก็อยู่ในทํากางแห่งกองไฟด้วยความสุขสบายของเราเนี่ยนีจิตดวงเดียวเท่านี้ที่เป็นตัวเหตุสําคัญเพราะสิ่งที่จะเป็นตัวเหตุบังคับบัรคาอยู่ภายในนั้นโดยลําดับทำงานถ้าเอาสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยซึ่งอยู่ในดวงใจหรืออยู่ในหัวใจนั้น ออกได้หมดด้วยสติปัญญาแล้วช้าบายฮะเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่มีความหมายอะไรเรื่องเป็นเรื่องตายเพราะเรื่องความเปลี่ยนแปลงของธาตุเท่านั้นเองจิตแล้วไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามแล้วมีอะไรจะเป็นทุกข์ล่ะแสนสบายอยู่ที่นี่มันทางกันพิจารณาเอาทายชนะในจิตใจของเราให้ได้แพ้เราเคยแพ้มานานแล้วโดยผลประโยชน์อะไรผลประโยชน์แห่งความแพ้ก็มีแต่ความทุกข์ความลำบาก ผลที่เกิดขึ้นจากการชนะจะเป็นอย่างไรเอาให้เห็นเลยพระพุทธเจ้าประเสริฐด้วยความชานะสาวกทั้งหลายท่านประเสริฐด้วยความชนะกิเลสอยู่เหนืออำนาจของกิ เ, เ, ออ เ, เ, ออเลสเราอยู่ใต้อำนาจกิเลสมีความทุกข์แค่ไหนเราทราบด้วยกันทุกคนจะพยายามเหนืออำนาจ ข, ของความมุงนงงเรานี้เราจะมีความสุแขแค่ไหนไม่ต้องประสามใครสารทิตโกจะประกาศขึ้นดังเป็นตัวภ า, ายในจิตใจขอให้นํามาปฏิบัติทําเหล่านี้อยู่กับใจของเราทุกคน เป็นแต่เพียงว่าสิ่งที่ไม่ถึงตัถนามันครอบหัวใจอยู่รอเข้าใจตลอดเวลามันออกหน้าออกตาอย่างออกหน้าออกตาเท่านั้นคนเราจึงออกหน้าออกตาตั้งแต่สิ่งเหล่านี้เต็มไปหมดในโลกความจริงออกหน้าออกตาไม่ได้เพราะอันนี้มีอำนาจมากกว่าแล้วพยายามแก้ไขอันี้ออกให้หมดจิตที่เป็นธําทั้งดวงนั้นจะได้ออกหน้าออกตาสว่างกระจ่างแจ้งครอบโลกธาตุไปหมดนี่เป็นอำนาจของจิตของธรรมแท้ คิดอานาจของี่เลสอำนาจี่เลดมีมากเท่าไรคำโลกเขาเดือดร้อนมากตัวเองก็เดือดร้อนก็เดือดเขเดือดร้อนเมื่อจิตปราบกิเลดตัวเป็นพิษภัยออกมาแล้วกาจะทำทุนนองขึ้มาแล้วตัวก็เย็นโลกก็เย็นเย็นไปหมดนะเอาละสิ่งย่อเพีนงเท่านี้